8 o Ut o b v i o 8 s, <Book> <S, <S, <S อดีตการของกิริยาช่วยสอง Modalverbernes dattid 2. ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Min søn ville ikke lege med dukken. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลภรายาของผมไม่อยากเล่นมากรุกกับผมมกนลูกของผมไม่อยากไปเดินเล่นภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผมภรราไม่อยากเหมาับของผมไม่อยากเล่นห้องกเมกั De vil l e ikke r y d d e op på værelset. <hug> De vil l e ikke gå i seng. Han m å t e ikke spise en is. Han m å t e ikke spise chokolade. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานฮันมอร์ต์เอ็กก์สไปเซ่บอลผมได้รับอนุญาตให้ขอพรย e ยมอร์ต์อุ่นส์เกมายผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดยายมอร์ต์คืบเป็นคิวเผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ่บนเครื่องบินได้หรื อ, อคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือมอดด์ดูนำสุนัาา้ามาในโห ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาอีเฟรนช์อร์ดเด็กไม่ต้องไปนอนตามเวลาอนวงกรอนเดกงอกเาเวล่กนเี่สนามเลน่นดม่้อนนามเลนชงกร้อนดกมองไนาเวลางกอเดกไ้อับนอนตาวานกอนเด็กไดต้องนามใน้อนเด็กไ้อนมเวลอด็กไองปเลงกอเด็้อปอเ